พวกเราตั้งอกตั้งใจเรียนนะเป็นไม่ยากแต่จะทำให้ได้ผลนะต้องตั้งใจจริงๆแรกตั้งใจฟังให้รู้เรื่องก่อนโดยภูมิจิตภูมิธรรมของพวกเราเนี่ยไม่สามารถรู้ทรรมได้ด้วยตัวเองเราต้องอาศัยการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้ถึงจะเห็นร่องรอยค่อยๆเดินตามไปได้ คนที่จะไปได้ด้วยตัวเองมีแต่พระพุทธเจ้านะพระปัจเจกกับพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพวกเราเป็นอนุพุทธะอนุพุทธะต้องฟังคำสอนของท่านเราตามเอาขน้นแรกเลยอดทนค่อยๆเรียนนะอย่านึกเอาเองธรรมานึกเอาเองไม่สำเร็จหรอกถ้านึกเอาเองแล้วสำเร็จเขาเรียกว่าพระปัิเจกกับพุทธเจ้า mm hmm. เราบารมีไม่ถึงขนาดนั้น พระปเจกนั้นบารมีมากกว่าพระโมคคัลลาสารีบุตรอีกเห็นเบื้องต้นต้องอดทนเรียนอดทนฟังแล้วต้องเลือกฟังด้วยว่าคาสอนใดสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆคําสอนใดไม่ใช่จะเป็นคําสอนอัตโนมัติที่คนรุ่นหลังสร้างขึ้นมาพวกเราลำบากมากเลยในทุกวันนี้คาสอนอัตโนมัตินั้นเยอะเหลือเกินเยอะสอนกันแปลกๆนะสอนส่วนมากก็คือ ถ้าไม่หลงไปในความปรุงแต่งนะก็บังคับตัวเองไว้มันอยู่เท่านั้นแหละนะวนเวียนอยู่ภูมิจิตภูมิธรรมของมนุษย์มันวนเวียนอยู่ได้แค่นั้นคนะือสุดตรงอยู่สองข้างเท่านั้นนะไม่หลงตามกิเลสก็คือบังคับกดข่มตัวเองไว้หลงตามกิเลสเรียกว่าการมาสู่ขาริการนุโยคบังคับกดขม่มบังคับกายบังคับใจเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานุโยกทําได้แค่นั้นนะไม่มีมากกว่านั้นหรอกกระทั่งการดูจิตดูใจนะเดี๋ยวนี้การดูจิตมันบูมมาก มันก็เริ่มมีคนสอนดูจิตออกไปเยอะแยะเลยซึ่งมันไม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนกันสืบมาจากหลวงปู่ดูลจากอะไรหลวงปู่ดูลนะั่นนะท่านสอนดูจิตก่อนคนอื่นเลยนะในรุ่นของพวกเราเนี่้ท่านภาวนาท่านได้ผลรวดเร็วทุกวันนี้ก็มีนะฟังหลวงพ่อไปนิดนิดห น, น่อยห น, น่อยก็มีนะมือหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตมานานนะตั้งแต่สองพันห้ารอยยี่สิบห้ายี่สิบหกเริ่มพูดมามีคนฟังมาได้ได ก็ไปแต่งตำรา ด, ดูจิตกันขึ้นมาก็มีนะแต่มันกลายเป็นดูภาษาอังกฤษนะดีอดูมันไม่ใช่ดูภาษาไทยดู do, ภาษาไทยหมายถึงว่าจิตเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหลักของการทําวิปัสสนาแท้ๆเลยนะกลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นองั้นถ้าดูภาษาอังกฤษนะั้นดีโอดูว่าทาเอาสิ่งที่ทํามีแต่บังคับกายกับบังคับใจนะออกนอกรู้นอกทางกันก็นกนกมีนะ แต่ว่าคนซึ่งได้ฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะปฏิบัติได้หน้าชื่นอกชื่นใจเมื่อสองสมวันนี้ก็มีครูคนหนึ่งอยู่ทางอีสานเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าแกฟังซีดีหลวงพ่อฟังๆไปแล้วแกก็ชอบดูบอลยูโรในช่วงนั้นตอนไหนก็ไม่รู้นะตอนที่พวกเราริบบีริบบีง่วงแล้วง่วงหิงมั้ง บอกวันหนึ่งแกดูบอลยูโรอยู่แล้วแกก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันเสียเวลานะมัวแต่ดูบอลเนี่ยจิตมันออกนอกไม่ได้ดูจิตตัวเองเลยมีซีดีอยู่แผ่นเดียวนะแกก็ย้อนมาดูจิตตัวเองพอดูจิตตัวเองแล้วไปดูบอล น, นะจืดชืดเลยไม่เอาไหนเลยไม่สนุกละชวนลูกชวนเมียเข้านอนปกติต้องให้ลูกเมียเข้านอนก่อนนะจะต้องดูบอลพอพนอนไปเอนตัวลงไปนะ ในใจมันก็รวมลงไปนะอย่างก็เห็นในใจของแกเนี่ยสิ่งที่ห่อพุ่มจิตใจอยู่มันมืดมืดมัวมัวมันแหวกออกไปสว่างขึ้นมาบอกแกมีความสุขมีความเบิกบานอยู่สองวันเห็นเลยตัวตนอะไรไม่มีหรอกไม่มีตัวมีตนอะไรพวกเราก็ทําเอานะใครทําใครได้เบื้องต้นก็หัดรู้สึกตัวว่ารู้สึกตัวแล้วต่อมาเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเรา คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานี่เยอะแยะไปหมดละส่วนมากไปเห็นตอนอาบน้ำแหลกนะตามสถิติงั้นอาบน้ำบ่อยๆหน่อยนะทำไมอาบน้ำแล้วเห็นกายไม่ใช่เราได้เพราะมันรูปอยู่ที่กายร่างกายนี่เป็นอะไรเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุตัวที่เราสัมผัสได้เนี่ยมีธาตุดินมีส่วนที่แข็งส่วนที่อ่อนนี่ธาตุดิน มันมีส่วนที่อุ่นส่วนที่เย็นใช่ไหมนี่เรียกว่าธาตุไฟส่วนเคลื่อนไหวนี่เป็นธาตุลมเป็นอ่อนไหวตรงที่ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนี่ยรู้ได้ด้วยกายรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางกายงั้นตรงที่เขาถูสบู่ถูขี้ใคลเนี่ยมันเอากายสัมผัสใช่ไกายสัมผัสมัก็เห็นธาตุเขา จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เห็นเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุขึ้นมานี่เรียกว่าเห็นของจริงแล้วเห็นกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนั่งเฉยๆละจะเห็นกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุได้ไหมไม่ได้เพราะการเห็นธาตุดินรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางกายนะฉะ้เราหลายคนนะภาวนาไปอาบน้าแล้วก็ปิ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีบางคนตอกตกใจ ตกใจว่าตัวเราหายไปบางคนก็กลัวเลยบางคนรู้สึกเวิ้งวางว้าเหวตัวเราหายไปแล้วชีวิตนี้จะไปหาความสุขความสบายที่ไหนตัวหายดูจิตดูใจนะบางคนก็เห็นจิตมันเกิดดับไปจิตเนี่ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับเห็นที่มันเกิดดับเห็นใจมันหลงไปจิตมันหลงไปคิด จิตมันลงไปคิดมมีสติรู้ขึ้นมาจิตที่คิดก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนนี่เห็นหลายๆทีนัก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าจิตที่คิดนั้นมันเป็นดวงหนึ่งจิตที่รู้เป็นอีกดวงหนึ่งคนละดวงกันนี่ในสดก็เห็นเลยจิตที่คิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจิตที่รู้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่นะเห็นความเกิดดับอย่างแท้จริงนะสันตติคือความสืบเนื่องมันขาด ถ้าความสุบเนื่องไม่ขาดยังไม่ขึ้นมีปรัชนาแท้ๆหรอกนะอยังบางคนเห็นจิตมีโทสะไปนั่งดูโมโหมาตั้งชั่วโมงแล้วนั่งดูยังไม่หายเลยนะไม่มีเกิดดับให้ดูนะยังไม่ได้เป็นวิปรัชนาจริงหรอกถ้าจิตมีโทสะแล้วเกิดสติวับขึ้นมาเนี่ยจิตที่มีโทสะจะดับไปในขณะนั้นเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นแทนแต่พอรู้สึกตัวแล้วกลับไปคิด ถึงสาเหตุที่ทําให้เราโกรธเช่นคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็เกิดขึ้นใหม่เนี่ยเห็นไ้มจิตที่รู้ดับไปแล้วเกิดจิตที่โกรธขึ้นมาใหม่พอรู้ทันอีกจิตที่โกรธก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาใหม่เนี่ยจิตมันเป็นคนละดวงคนละดวงมันสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆใครเคยเห็นลูกประคําม์ไหมลูกประคําใครรู้จักไหมลูกประคําใช่ไหมมันเป็นลูกๆมันสืบเนื่องกันไปมันไม่ใช่ลูกเดียวไม่ใช่ลูกเดิม แต่จิตมันไม่เหมือนรูปประคำรูปประคำมันมีทีเดียวร้อยแปรูปในจิตมันมีทีละรูปนะแต่มันต่อกันเป็นสายไปเรื่อยๆแบบรูปประคเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอเห็นอย่างนั้นมันละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนได้เพื่จะเห็นความจริงแล้วไม่มีตัวมีตนพอเห็นความจริงพอนะจิตจะรวมเข้าอปนาสมาธิอาสวากิเลส ท, ที่มันห่อหุ้มปกคลุมจิตอยู่มันจะแหวกออก จิตที่มันสว่างเป็นอิสระนะสว่างสไบขึ้นมามันยิ้มมันเบิกบานที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตยิ้มก็มเกิดขึ้นมาจิตยิ้มจิตมันล่าเริงทําไมจิตมันยิ้มเพราะมันเห็นนิพพานนิพพานเป็นบรมสุขนะจิตไปเห็นนิพพานจิตก็เบิกบานใจนิพพานไม่ใช่จิตโคนลานกันจิตเกิดดับนิพพานไม่เกิดดับนะค่อยฝึกเอานะไม่ได้ยากอะไรหรอกอยู่ที่ว่าเราต้องตั้งใจจริงอดทน ทีแรกอดทนฟังอดทนเรียนนะฟังสิ่งที่หลวงพ่อบอกฟังซีดีไปอ่านหนังสือไปนะอะไรเงี้ยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะบางคนก็บอกว่าแต่ก่อนไม่ได้ถือศีล น, นะคนเอาซีดีหลวงพ่อไปให้เอาหนะังสือไปให้ก็ไม่อ่านไม่ฟังนะต่อมามาหัดถือศีลรู้สึกต้องถือศีลก็นะเกิดสนใจมาฟังเข้าใจขึ้นมาก็มีนะแล้วนะต้องอดทนต่อกิเลส ด, ด้วยนะมีศีลได้ก่อน ไม่มีศีลภาวนายากนะคนไม่มีศีลภาวนาไม่รอดหรอกเพราะว่าสติปัญญาอะไรทั้งหลายมันจะกลายเป็นเครื่องมือสนองกิเลสไปหมดเลยเราไม่มีศีลสั ย, ยังก็โกงเขาด้วยจิตว่างใช่ไหมตีเขาด้วยจิตว่างไปทางนั้นหมดเสียหายงานศะีลเราก็ต้องรักษาไว้นะเสร็จแล้วเราก็สังเกตจิตสังเกตใจศึกษาจิตใจไปรักษาศีลไว้เรียกว่าเรามีศีลสิกขา นะสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเลยนะสังเกตไปนี่เรียกว่าจิตตศิกขาดเรียนเรื่องจิตเจอกระทั่งจิตมันจําสภาวะได้แม่นสติเกิดเองแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนานะตรงที่ไม่เจตนาเนี่ยเป็นธรรมะที่สําคัญมากถ้ายังเจตนาอยู่เป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนนะถ้าไม่ได้เจตนาน้ารู้ตื่นขึ้นมาเองเนี่ยเป็นกุศลที่มีกําลังกล้า ตรงที่จงใจที่จะมีสติจงใจรู้สึกตัวจงใจปฏิบัติอะไรเนี่ยเป็นมหากุศลจิตเหมือนกันแต่เขาเรียกว่ามหากรุสลจิตชนิดสังขาริกังสังขาริกังคือมันเจือด้วยการจงใจมันน้อมไปทำํำพวกนี้เป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนแต่ถ้าเราฝึกไปตามเหตุตามผลที่หลวงพ่อบอกนะหัดรู้สภาวะไปจนจิตมันเกิดสติขึ้นมาเองมันตั้งมั่นขึ้นมาเรารู้สภาวะที่จิตตั้งมั่นกับจิตตั้งแช่ จิตไม่ไหลไปแช่จิตตั้งมั่นตื่นขึ้นมานะสภาวะอย่างนี้ไม่ได้เจตนาให้เกิดเรียกว่าอาสังขาริกังอาสังขาริกังเนี่ยจิตที่เป็นมหากุสุนชนิดอาสังขาริกังเนี่ยมีกำลังกล้าทำนองเดียวกันนะถ้าอาุสุที่ต้องชักชวนให้เกิดเนี่ยมีกาลังอ่อนอุสุนที่เกิดเองอัตโนมัติเนี่ยมีกำลังกล้าเช่นบางคนนะ ถูกเขาด่ามา3วัน3คืนแนละ้ก็ชกเขาไปทีเห็นไหมอากุศลมันเกิดโทสะเกิดเพราะถูกยั่วยุเนี่ยอันนี้อากุศลอย่างนี้ยังอ่อนอีกอันหนึ่งเห็นหน้าใครก็อยากฆ่ามันหมดเลยนะจับเชือดไปหมดเลยเโดยสันดานเจอใครก็ฆ่าทิ้งนี่อากุศลมีกําลังกล้าเพราะฉะนั้นทั้งกุศลและอากุศล น, นะถ้ามันเกิดเองมันมีกําลังกล้ากุศลที่จิตที่เป็นกุศลที่จะใช้ทำมิปัจฉนาต้องมีกําลังกล้าต้องเกิดเอง ตรงนี้ดูดูเบื้องต้นนะเบื้องต้นมันก็ต้องอาศัยจงใจไปก่อนแต่จงใจแล้วก็คอยสังเกตคอยรู้กายรู้ใจจนวันหนึ่งไม่จงใจรู้โดยไม่จงใจตรงที่รู้โดยไม่จงใจนี่สําคัญที่สุดเลยถ้ายังจงใจรู้เนี่ยมรรคผลจะไม่เกิดในขณะนั้นหรอกนี่คนทั่วๆไปถ้าไม่จงใจจะรู้จิตจะหนีไปเลยรู้สึกไหมถ้าไม่จงใจปฏิบัตินะีจิตจะหนีหายไปไหนตอนไหนหนีไปเที่ยวเลย ถ้าจงใจก็กลายเป็นการเพ่งจ้องสุดตรงอยู่สองอย่างนี้หนีไม่รอดเลยแต่พอหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆมันก็จงใจบ้างไม่จงใจบ้างต่อไปจิตมันคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวโดยที่ไม่ได้จงใจมันคุ้นเคยที่จะรู้สึกโดยไม่จงใจมันจะเกิดรู้สึกขึ้นมาเองไม่หลงไปแล้วก็ไม่ได้จงใจรู้สึกรู้แต่ไม่ได้จงใจรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นมาบางคนแวบแรกเท่านั้นก็ขาดสะบั้นเลย ทำไมไม่จงใจแล้วขาดสบั้นตรงนั้นความจงใจที่จะปฏิบัติเนี่ยนะความจงใจเป็นเจตนาทางใจเจตนาทางใจเนี่ยนะเรียกมีชื่ออันหนึง่งเรียกว่ามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเจตนาความจงใจนะมโนสัญญนะมีความจงใจที่แบบจงใจจริงๆรู้เนือ้อรู้ตัวไม่ได้ทําด้วยไขยสันหลังนะนะมีสัญญมีสัญญาอยู่ จงใจจริงๆตั้งใจจริงๆแล้วเป็นการทํากิจกรรมทางใจทางมโนเมื่อมีมโนโสัญญะเจตนาเกิดขึ้นจิตจะเกิดการกระทํากรรมเราะนั้นในอภิธรรมจะสอนบอกมโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นอาหารเป็นปัจจัยที่เรียกว่าอาหารลปัจจัยทําให้เกิดการกระทํากรรมเพราะฉะนั้นเมื่อไรจิตเราเกิดเจตนาเมื่อนั้นจิตจะเกิดการทํางานการกระทํากรรมของจิตเนี่ยมีชื่อชื่อหนึ่งนะ ชื่อว่ากรรมภพทันทีที่จิตมีเจตนาที่จะปฏิบัติจิตก็สร้างภพเรียบร้อยแล้วแต่เบื้องต้นก็ต้องสร้างภพก่อนเพราะศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในภพไม่เกิดขึ้นนอกภพนะงั้นเบื้องต้นก็เจตนาแต่ว่าต้องรู้ทันนะรู้ทันไม่ใช่เจตนาแล้วยิ่งหมกมุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเจตนาแล้วรู้ทันไปเรื่อยนะใจจะค่อยคลายเจตนาออก ต, ต่อมาใจคุ้นเคยที่จะรู้โดยไม่เจตนาคราวนี้รู้โดยไม่เจตนาจะไม่เกิดการกระทํากรรมเมื่อจิตไม่ได้ทํากรรมจิตไม่ได้สร้างภพนะจิตจะได้เห็นสิ่งซึ่งอยู่เหนือภพคือนิพพานนั้นจําเป็นมากนะตรงที่ว่าต้องภาวนาจนหมดความจงใจจึงจะเห็นนิพพานได้ถ้ายังจงใจอยู่แม้แต่เล็กแต่น้อยนะจิตจะทํากรรมจิตจะสร้างภพเมื่อสร้างภพอยู่ไม่เห็นนิพพาน แต่อาศัยการปฏิบัติเนี่ยสร้างพบก็จริงนะแต่ว่าเจริญไปเรื่อยศีลสมาธิปัญญามันแก่รอบขึ้นมาต่อไปมันเกิดรู้สึกตัวอัตโนมัติไปรู้สภาวะเข้าแล้วรู้โดยจิตที่ตั้งมั่นอัตโนมัติอีกไหมสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันเกิดจะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับไปจิตก่วางสภาวะเพราะจิตไม่ได้สร้างภพเนี่ยจิตไม่ได้ปรุงแต่งต่อก็ขาดปับลงไปพ้นจากความปรุงแต่งตรงนั้นเลย ค่อยฝึกเอานะไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกง่ายง่ายจริงๆนะไม่หลอกหรอกเราะคนที่ฟังหลวงพ่อพูดแล้วทําได้เนี่ยมีมาเป็นลําดับลําดับแล้วนะเมื่อก่อนเวลาหลวงพ่อเทศนะ์หลวงพ่อต้องแบบหลบหลบเลี่ยงเลพูดตรงไปตรงมามากก็ไม่ได้นะถึงวันนี้เรามีพยานขึ้นมาเยอะแยะแนละอย่างพวกเราในห้องนี้ตั้งเกือบครึ่งหนึ่งที่เป็นพยานให้หลวงพ่อได้ว่าถ้าเราดูไปแล้วกิเลสเบาบางได้จริงๆ ความทุกข์สั้นลงได้จริงๆความทุกข์อ่อนลงได้จริงๆพยิ่งสติเกิดแม้จิตใจมีความสุขมากขึ้นเห็นไกาไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตไม่ใช่ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นนหลวงพ่อมีพยานนะผู้ปฏิบัติที่ตามหลังมาเนี่ยมาเป็นพยานให้หลวงพ่อได้เยอะแยะเลยค่อยๆฟังค่อยๆเรียนค่อยๆปฏิบัตินะเป็นพยานการปฏิบัติไม่ได้เป็นพยานให้หลวงพ่อหรอกความจริงเป็นพยานในคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละ เราเดินตามหลังท่านไปนะเราพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับไปได้อศัศจรรย์ที่สุดเลยเราเข้าใจธรรมะแล้วนะมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าได้เลยนะจะรักท่านที่สุดเลยนะท่านคือพ่อคือแม่ที่แท้จริงของเราเลยถ้านะพาเราพ้นทุกข์ได้จริงๆงันะ้นอดทนนะอดทนค่อยๆฟังไปอดทนต่อกิเลสอดทนต่อคาสั่งสอนนะอดทนต่อความอยากจะบรรลุเร็วๆนะ นะภาวนาแล้วเมื่อไรจะบรรลุเมื่อไรจะบรรลุไม่บรรลุหรอกนะเมื่อเดือนสิงหาปีสองหกวันที่ห้าสิงหาหลวงพ่อภาวนาติดขัดอยู่ร่วมเดือนนะภาวนาแล้วมันหลับเรื่อยๆจิตมันรวมรวมรวม ร, ว ม, รวมนะขาดสติเลยรวมแบบลืมเนื้อลื ม, ลมตัวโลกธาตุดับไปเลยร่วมใจนะมนไม่รู้จะทำไงขึ้นไปหาโลวปู่สิมที่ทาผับฟรองเมื่อวันที่ห้าสิงหา บอกพมภาวนารับจิตมันเป็นอย่างนี้มันรวมเข้าไปนะมันไม่รู้สึกตัวเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้แก้ก็ไม่หายเดินจงกรมก็รวมอย่างนี้นั่งสมาธิก็เป็นช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะทํำยังไงดีครับถามหลวงปู่หลวงปู่มองหน้าเราแวบหนึ่งนะบอกผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไระท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้บอกผู้รู้ผู้รู้อย่าสงสัยอะไรอย่าสงสัยเลยทำํำไปเถอะเราจะได้ของดีในพรรษานี้แหละท่นบอกอย่างนี้ ครูบาอาจารย์บอกไม่ให้สงสัยหลวงพ่อก็ไม่เอาแล้วนะเลิกเลยไม่สงสัยแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเห็นไหมก่อนหน้านี้เราดิ้นลนคนกวา้าเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรจะแก้อย่างไงอยากแก้อยากดีเห็นไหมอยากพัฒนาเนี่ยเต็มไปด้วยความอยากแล้วไม่เห็นพอครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าสงสัยเลยเลิกจริงๆนะไม่สงสัยแล้วมันเป็นยังไงก็ช่างมันอีกวันหนึ่งก็ไปไหว้พระธาตุนะอีกวันหนึ่งวันที่7สิงหาเนี่ยตรงวันนี้พอดีเป้เลยนะ นั่งรถตัวมากรุงเทพเนะนั่งมาเรื่อยๆสภาวะที่เคยติดที่เคยขันก็หายไปนะไม่เป็นอีกนั้นอดทนนะอดทนครูบาอาจารย์บอกให้ทําอะไรก็ทำํำทำไปแต่ต้องระวังนะครูบาอาจารย์สอนให้ทํานะั้นะคําสอนนั้นสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าต้องเรียนให้รู้เรื่องนะต้องเรียนให้ดีทุกวันนี้สอนเตลดเิดเปิดเปลงนะั้นเยอะเหลือเกินแล้วก็มีศีลไว้นะ เขาก็คอยสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆจนสติอัตโนมัติมันเกิดพอสติอัตโนมัติเกิดแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มาทำวิปัสนาแท้ๆมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจแล้วแต่ว่าอะไรจะชัดบางทีกายก็ชัดบางทีจิตก็ชัดไม่มีเลือกแล้วนะว่าสายกายสายจิตสายกายสายจิต น, นั้นมันฝึกเบื้องต้นเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นนะหัดดูกายไปเรื่อยๆนะจิตเป็นคนดูหัดดูกายไปเรื่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ย ดูอย่างนี้เลียกายานุปัสนาทําไปเรื่อยสติเกิดนะเห็นเวทนาเกิดขึ้นนะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะเห็นทุกอย่างมันเกิดเกิดดับดับเห็นไปเรื่อยๆจําสภาวะได้แม่นสติก็เกิดเห็นไหมเห็นจิตที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างโลภหลดหลงบ้างเกนะิดแล้วก็ดับไปมีกโกรธจิตที่กโกรธแล้วก็ไม่โกรธจิตที่โลภแล้วไม่โลภจิตที่หลงแล้วไม่หลงเห็นอย่างนี้เห็นสภาวะเนี่ยซ้ําๆนะในสุดสติก็เกิดเอง เพราะจิตจำสภาวะได้แม่นเงั้นเบื้องต้นหนอกที่มีสายกายเวทนาจิตธรรมแต่พอสติเกิดเองแล้วเนี่ยไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปแล้วนะบางครั้งสติระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้เวทนาบางครั้งสติระลึกรู้จิตบางครั้งสติระลึกรู้กระบวนการทํางานของจิตใจที่ปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่ารู้ธรรมนะนะรู้ไปเรื่อย รู้ไปแล้วก็เห็นกายมันทํางานของมันเองจิตมันทำงานของมันเองสภาวะทั้งหลายนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองไม่มีใครบงการไม่มีใครบังคับได้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเนะี่ยในสุดปัญญามันเกิดนะเห็นในกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปจะเห็นอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้ก็จิตก็รวมเข้ามาเป็นพระโสดาบัน เวลาเป็นพระโสดาบันมีกระบวนการที่ฉิดตัดนะตัดสังโยชน์ตัดกิเลสอย่าไป น, นึกนาว่าวิธีเป็นพระโสดาบันเป็นนั่งกําหนดไปเรื่อยแล้ววูบตื่นขึ้นมาเอาเป็นล้ไม่เป็นหรอกขาดสติไม่ได้นะในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนั้นยังมีสติอยู่ตลอดสายเลยถ้าไม่มีสติใช้ไม่ได้เวลาเกิดอริยามรรคมีจิตไม่ใช่จิตดับหายไปนะมีจิตทั้ง20ชนิดนะี่เรียกว่ามรรคจิต20ชนิด นะถ้าพูดย่อๆก็มี4ชนิดถนะ้อย่างละเอียดก็แยกได้20ชนิด4ชนิดคือโสดาปฏิมัคคจิตไนะสกิทาคามัคคจิตนะอนาคามัคคจิตอรหัตตมัคคจิตนะีมีสี่ดวงแล้วแต่ละแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยนะแยกได้อีก5ชนิดคือจําแนกตามฌานที่ประกอบแก่จิตดวงนั้นขึ้นมาบางคนเป็นพระโซดาบันพร้อมกับฌานที่1 ได้บางคนพร้อมฌานที่ 2, 3, 4, 5ี่ห้านะทำไมมี5เราเคยได้ยินฌาน4เท่านั้น5นี่แยกแบบอภิธรรมถ้าแยกอย่างกะสูตรมี4นีะ่แล้วไปถึง8ไม่ได้หรอ เ, รเคยได้ยินฌาน8ชฌาน8ก็ได้นะฌานที่เป็นอรูปฌานทั้งหลายเนะเอาเข้าจริงก็คือฌานที่4หรือฌานที่หนั่นเองคือมีองค์ธรรมสองอย่างนะมีอุเบกขานะกับเอกขตา2 อ, อย่าง เนี่ยมันมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตนะในขณะที่บรรลุมรรคผลแล้วมีเจตสิกทั้ง30มสิบหัวตัวนะมันไม่ใช่วูบขาดสติแล้วบรรลุนะพวกที่ภาวนาแล้ววูบๆขาดสติแล้วบอกได้ชั้นนั้นชั้นนี้ลองไปดูเถอะไม่ลดกิเลสหรอกไม่ลดลายกิเลสหรอกนะมีแต่สําคัญมั่นหมายว่ากูดีกูเก่งไปอย่างนั้นอีกนั้นเราภาวนานะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจทําความเป็นจริงไปเรื่อยรู้บ้างหลงบ้างอย่าไปนั่งจ้องเอาไว้ ให้สภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้นะไม่ใช่ไปนั่งรอดูว่าจะมีอะไรให้ดูเช่นความความหลงเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าหลงความโลภเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธต้องให้มันเกิดก่อนนะแล้วเราตามรู้เอาอย่าไปจ้องบางคนจะดูจิตดูใจนั่นไปจ้องไม่เลยรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอดูใช้ไม่ได้นะต้องตามดูเพราะพระพุทธเจ้าสอนจิตตานุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นจิตเนือง มาจากคาว่าจิตคําว่าอนุคําว่าปัศนาปัสนาคือการเห็นอนุแปลว่าตามจิตตามนุปัศนาการตามเห็นจิตหนึ่งเนืองตามดูไปด้วยกรทั่งกายนะท่านก็ให้ตามนะกายกายอนุปัสนาการตามเห็นกายเนืองเนืองทำไมไม่ดูลงปัจจุบันเพราะเบื้องต้นจะฝึกให้เกิดสติยังไม่ได้ฝึกวิปัสนา เรารู้กายร่างกายเคลื่อนไหวคอยตามดูมันไปเรื่อยถึงวันนึงเห็นมันไม่ใช่ตัวเราใจมันตั้งมั่นมันแยกออกมานะคราวนี้มาเดินปัญญารู้กายเนี่ยจะรู้ลงปัจจุบันนะคราวนี้นะไม่ใช่ตามดูนะถ้ากายเนี่ยพอถึงขั้นเดินวิปัสสนาเนี่ยจะต้องดูลงปัจจุบันแต่การทำวิปัสสนาดูจิตเนี่ยยังเป็นการตามดูอยู่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนทั้งสิ้นนะอย่านึกว่ารู้ได้ด้วยตัวเองไม่รู้หรอกขนาดเรียนแล้วยังเปเลย หลวงพ่อก็รู้จักเพื่อนเพื่อนเรียนตำราเยอะนะเพื่อนเป็นนักอภิธรรมเยอะหลวงพ่อส่วนใหญ่ลงมือปฏิบัติก็เพ่งนั่นแหละลงมือไปเพ่งค่อยๆฝึกนะค่อยๆเรียนเหลือเวลาสี่นาทีตรวจกันบ้านคนอยู่ในวนะัดเมื่อคืนผมตอนเที่ยงคืนผมตื่นมาแล้วเดินจงกรมตามดูอาการของกายไปเรื่อย ปรากฏว่ามีเสียงคล้ายๆคนพูดอืผมก็เกิดความกลัวอพอเกิดความกลัวใจก็ร้อนมาดูที่ที่ใจอืเห็นอาการใจมันซาๆๆแล้วก็จนมันดับไปอืมแล้วก็เดินชงกรมต่อไปเดินไปทักพักก็เกิดอาการกลัวอย่างนี้อืผมก็ตามดูเด้เลยก็จนถึงตีสี่นะครับผมนั่นแหละเห็นไหมจิตเวลาจะกลัวจิตก็กลัวของจิตเองนะมันกลัวของมันเองเรามีสติตามดูไปไหม เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรานะจิตจะกลัวมันก็กลัวจิตมันจะหายกลัวมันก็หายมันไม่มีตัวเราหรอกง น, นการที่เราเห็นสภาวะแล้วนะรูปธรรมนามธรรมเนี่ยสภาวะจะสอนใจลักทั้งนั้นเลยดีละดูไปอีกอา้าวแพรรี่เมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่าใจเป็นแนบตอนกราบอะคะโยมก็กลับไปลองกราบดูก็รู้สึกว่าใจมันเป็นแนบที่ที่กาย ก็เลยถอยออกมาดูว่าเขากราบอะคะไม่ไม่ไม่ไปติดติดพอพอกราบนะพอใจแนบเนี่ยมันเป็นเรากลับใช่ค่ะหลวพ่อใจแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายกราบร่างกายไม่ใช่เราละนั่นตรงที่ใจตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยสำคัญมากใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่เรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิพระพิธรรมถึงสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ ใจเราตั้งมั่นมาตัวที่กราบอยู่ไม่ใช่เราแล้วถึงดูกิเลส ด, ดูความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะแล้วเสร็จแล้วก็ดูตัวใจที่เป็นคนดูตัวผู้ตั้งมั่นเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดรู้สึกไหมขณะนี้เป็นผู้คิดแล้ไม่ใช่ผู้รู้เกิดดับด้วยตัวผู้รู้ก็ไม่ได้เที่ยงดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยต่อไปก็เห็นว่าไม่มีตัวเราสักอย่างกายเวทนาสังขารอะไรนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เรานะตัวจิตเองก็เกิดดับ บังคับไม่ได้มีเที่ยงครับไม่ได้ไ ม, ไ, ม ไ, ดไม่ใช่เราถึงวันหนึ่งก็เห็นไม่มีตัวเราเหลือนะ <c oughs> สองคนนะไปไปทานข้าวก่อนนิมนต์ครับนิมนต์